มีแควนอยู่แควนหนึ่งชื่อว่าแควนอลิทะในแควนนั้นมีคนจนอยู่คนหนึ่งชื่อว่านายโกโตฮาริกะนั่นเนายโกโตฮาริกะเนี่ยก็มีบุตรแล้วก็มีภรรยาบุตรก็ยังเป็นบุตรน้อยพอเดินได้คนเดียวทีนี้เขาก็อยู่ในแควนนี้ก็เกิดช้าตะกภยัยก็แปลว่าฝนไม่ตกเนี่ยนะเมื่อฝนไม่ตกนานๆเข้าแผ่นดินมันก็แห้งแล้ง Ну เมื่อแผ่นด okay. ินแห้งแรงเพราะปลูก hmm. ก็ไม like ่ได้เมื่อพ่อปลูกไม่ได้ก็อดอยากหิวโหยคล้ายๆอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดฝนไม่ตกแค่อีกสักสองสามเดือนข้างหน้าเนี่ยเดือดร้อนหมดเลยเนี่ยนะคงเสียหายประเมินตัวเลขยากเหมือนกันนะนะทำเสียหายมากเขื่อนหลายๆแห่งมันแห้งขอดเนี่ยแผ่นดินนี่ก็เป็นรอยร้าวแผ่นดินที่แห้งนะโคลนแห้งมันก็จะเป็นรอยร้าวเป็นก้อนก้อนกอนก้อนก้อนมันเมื่อแห้งมากๆเข้าแอรข้าว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 ภรรยาก็บอกว่าโอ๊ยไม่ได้หรอกเนี่ยนะกว่าจะได้ลูกคนนี้มาก็ไม่สามารถจะตัดใจทิ้งลูกได้นี่ตอนหนึ่ยนะก็บอกว่าเออเธอไปก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวฉันจะค่อยๆตามไปก็ให้ภรรยาเนี่ยไม่ใช่เรื่ออะไรนะแบกของอ่ะนะแบกของไปตัวเองก็อุ้มลูกลูกชายเนี่ยตามไปด้วยพอเดินเดินไปพอภรรยาไปไกลหน่อย ก, ก็เอาลูกไปซุกไว้ใต้ต้นไม้อะลูกไปซ่อนไว้ใต้ต้นไม้ ระหว่างที่เอาลูกไปซ่อนไว้ใต้ต้นไม้นั้นเนี่ยนะ ก, ก็ทําเป็นเดินอ้อยอิงอ้อยอิงภริยาก็ไปไกลเขาตามไปนู่นไปไปทันกันไกลเป็นกิโลกิโลก็เลยอ้าวภริยาก็เห็นเอาลูกไปไหนล่ะบอกฉันทิ้งไปแล้วชวนให้เธอทิ้งเธอก็ไม่ทิ้ ง, งฉันก็เลยทิ้งเลยร้องให้นอนกลิ้งอยู่ตรงนั้นนะบอกถ้าฉันไม่มีลูกฉันก็คงไม่มีชีวิตจะอยู่ต่อไปโคสะกะเศรษฐีก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยนะไ อ, อ้นายโกตุฮาริกะเนี่ยนะ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 ก็จัดตามอัตภาพเนี่ยนะทีนี้พอดีตกช่วงนั้นก็ถึงเวลาบริโภคอาหารของนายโคบานเศรษฐีนี่คนดีพอดีเจ้าของฟาร์มโคคนนี้เนี่ยก็เขาก็ได้ข้าวอย่างดีข้าวเขาก็ใช้นมสดนี่หงปกติเราใช้น้ําหุงไงตอนนี้เขาเป็นเจ้าของโคบานนายเจ้าของฟาร์มโคเขาก็ใช้นมสดเนี่ยมาหุงข้าวนะเรียกว่าเป็นข้าวปลาหญ้าไส่น้ําตาลกรวดใส่น้ํำผึ้งใส่เรียกว่าไส่ครบเครื่องของเขาอ่ะนะ ตามหลักของเรียกว่าเข้ามาทุปายาตก็กินข้าวไปเนี่ยนะก็นั่งกินข้าวแล้วก็แล้วก็เขาก็มีสุนัขโปรดปรานอยู่ตัวหนึ่งเป็นสุนัขตัวเมียเนี่ยนะก็กินไปก็แบ่งอาหารให้เมียให้หมาไปกินไปก็กินไปก็แบ่งอาหารให้ไปไอ้ชายสองคนสองคนสา ม, มีภรรยาเนี่ยก็ไปมองเห็นเออหมานี่มันดีเลยมันมั น, ม, นมันดีกว่าเราอะนะคล้ายๆก็แข่งกันระหว่างควายกับหมาไหนดีกว่ากันคล้ายๆเนี่ยนะ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 นันดีเหลือเกินนั้นดีกว่าเราเราทำมาหาเลี้ยงชีพอยากเหงื่อแรงกายแทบไม่พอกินเลยในพร้อมกระรองทุกยากลําบากเหลือเกินนี่ไอ้วันนั้นเนี่ยสองสามีภรรยาเขาก็แบ่งข้าวปลายาดให้ก็แบ่งข้าวปลายาดให้เรียกว่าสองคนอิ่มอ่ะนะทีนี้ไอ้ภรรยาเนี่ยความที่รักสามีก็เลยรับแค่ครึ่งเดียวสามีก็จะได้ส่วนหนึ่งครึ่งเหมือนกันเถอะ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 ทีนี้พออืดมันก็ง่วงเนี่ยนะอาหารก็ไม่ย่อยอึดอัดอึดอัดทีนี้พออึดอัดปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดถึงท้องตัวเองเท่าไหร่คิดถึงหมาูหมาเนี่ยมันดีไปใช้ชีวิตมันยังมีอยู่มีกินหมามันกินอิ่มแบบนี้ทุกวันเลยเราเนี่อดอยากมาตลอดเลยมันหากินยากแท้เนี่ยนะก็เลยใจก็ผูกพันอยู่กับหมาอาหารก็ไม่ย่อยตกคืนนั้นก็ตายตา ย, ตายแล้วก็ไปเกิดในครันลูกสุนัขนั้นพอดีอไปเกิดเป็นเป็น สลูกสุนัขในในหมาตัวเมียผูนั้นผู้ดีเลยจะไปน้าใช่ไหมใจพวพันธุ์ถึงอะไรก็อันนั้นแหละพันไครแต่บางคนคนที่เขารักสุนัขเขาก็รักจริ ง, รงๆอ่ะนะรักโอ้ยรักมากรักยิ่งกว่าลูกอีกนอนด้วยอะไรด้วยเรียกว่าอยู่บ้านเดียวกันใช้ชีวิตเหมือนกันก็รักทุกอย่างเลยนะนะั่นเองบางคนก็รักมากเขบอกว่ายังไงยังไงก็คิดถึงอย่างอื่นเนอเวลาก่อนจะตายอย่า ง, งนะั้นนะถ้าคิดถึงสุนัข ก, ก็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 จะคล้ายๆมนุษย์เพราะไอ้ลูกสุนัขไอ้ความที่มันเป็นลูกที่น่ารักอ่ะนะมันก็ค่อนข้างรู้ภาษาคนเยอะหลยมันก็เลยเป็นที่โปรดปรานของผู้เลี้ยงเห็นไหก็เป็นที่โปรดปรานเจ้าของรักมันมากทีนี้ในบ้านนายโคบาลคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นตระกูลที่มีศรัทธานีนะเขาก็นิมนต์พระประเจกกับพรุทธเจ้ามาถวายอาหารเป็นประจำคือนิมนต์พระประเจกกับพรพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านทุกวนันทุกวนัน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 ก็เลยต้องไปตามหมาเหมือนันนะเดี๋ยวผ้าหลุดแต่ว่าลําบากไปตามหมามาก็นิมนต์ผ้าไปฉันที่บ้านจนตลอดพรรษาเพรันไอตลอดพรรษานี่ก็ให้กินข้าวทุวันทุกวันเนี่ยนะพันก็หมาก็รับพระปัจเจรกับะพุทธเจ้าเนี่ยมากทีนี้พอออกพรรษานายโคบานก็เตรียมเข้าวของเครื่องใช้ถวายถวายผ้าไตรชีวอนแด่พระปัะเจกกับพุทธเจ้าพระพระเจกคพระพุทธเจ้าบอกว่าอาตมาจะไปทําชีวอนนะจะลาไป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 เทวโลกมั้งใครรักหมาเนี่ยนะอยากจะให้แบบหมาไปสวรรค์ตามไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นอะไรก็ทําไงดีรักษาศีลให้ดีๆเนี่ยนะเมื่อหมาอ่อนโยนแล้วจะได้ไปดีมั่งอย่างั้นพอจะโปรดกันได้มั่งก็ตรงนั้นอ่ะนะจะไปให้บอกหมาเอ้ยให้ทานเถอนเนี่ยนะนจะคุยกันยังไงใช่รักษาศีล น, นะสมทานกรรมบทบอกลันยากนะก็ได้อยู่ใกล้กับผู้มีศีลมีธรรมเป็นต้นถ้ามันมีจิตอ่อนโยงกับผู้มีศีลตายไปมีผู้มีศีลเป็นอารมณ์ก็พอจะไปดีได้มัง่ง ทีนี้เมื่อเทพผบุตรนั้นเนี่ยนะเอ่อเทพหมาตัวเนี้ก็ไปเกิดเป็นเทพผบุตรเป็นเทพผบุตรมีเสียงก้องเพราะอะไรเพราะเคยเห่าด้วยจิตที่อ่อนโยนในพระประเ จ, จกพรพุทธเจ้ากลายเป็นโคศกไปเลยก็พูดเสียงดังแกพูดเบาๆเนี่ยนะวูยนะดังสนัน่นบอกว่าถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดวันไหนครับเปล่งเสียงสุดแรงเนี่ยนะดังกลบเทวโลกหมดเสียงดังมากพูดปกติเนี่ย คือบางคนเนี่ยพูดแบบเงียบๆง้มมือเิียบๆลับๆล่อไปเตนะเสียงมันจะดังตลอดเลยเนี่ยนะบางคนก็ประเภทเนี่ยแต่เนี่ยพระประเจะเทพพระบทคือโคสกะเทพบุะบทเนี่ยความที่เคยเห่าพระเห่าด้วยจิตเลื่อมสายนะมันจะเห่าหาเรื่องมันก็มีเห่าหลายประเภทเห่าแบบเผ่าเพรเชอเห่าเพรสเชอร์สังเกตไหมหมาเห่าเพรสเชอเห่าไปเรื่อยหมาใบตองแห้งอะไรมันเห่าไปเรื่อยถ้ามันเห่าแบบพยาบาทนะเห่าแบบโทสะนะแบบพุศวสวา่ะ เหาเอาเรื่องเลยมันเหาแบบจะฆ่าคนนั้นให้ได้เลยนะก็มีเห่าหลายประเภทแต่เห่ามูสาคงไม่มีมั้งเนาะมันก็มีเพอร์เจอร์กับเนี่ยเพอร์เจอร์กับสัมปะปะ น, นี่ก็มีอยู่สองเอ้ยไม่ใช่เพอร์เจอร์กับพุทสวาจานนะนะที่นี้เทพประบุคนนี้เนี่ยนะไอความที่พื้นฐานอุปนิสัยตัวเองเนี่ยนะอดอยากในชาติที่เป็นนายโกตุฮาริกาก็อดอยาก ชาที่เป็นสุนัขนี่ก็แหมมั น, ม, นมันก็ทําอะไรไม่ค่อยเป็นอิสระใช่ไหมก็เป็นสุนัขพอมาเป็นเท พ, พบุตรเข้ามัวเมามากเลยเพลิดเพลินในกามคุณบริโภคกามาคุณเที่ยวกินดื่ม ม, มีความสุขมากจนลืมกินว่างั้นเถอะเที่ยวจนลืมกินนะนะเทวดาเนี่ยไม่เหมือนกับมนุษย์เทวดาถ้าลืมเลยเวลาอาหารไปมื้อหนึ่งตายมนุษย์เนี่ยเลยไปต้องเจ็ดวันไม่ได้แต่เทวดาเลยไปมื้อเดียวก็ตายล้ว